พระบัญญัติก็ภิกษุใดรับนิมนต์ไว้แล้วมีพระทหารอยู่แล้วเที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนเวลาฉันพระทหารต้องอบัตปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้